อุปนิสสยทุกกในห้ยเจ็นเหตุปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมีก้าวาระนารามานปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมีก้าวาระนอธิปติปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมีก้าวาระนันตรปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมีก้าวาระนัสมณันตรปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมีก้าวาระ นาสหชาตปัจจัยกับอุปนิสหปัจจัยมีก้าวาระนาอัญญมัญญะปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนนิสัยปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระ นอาเสว่นปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนวิปากปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนอาหารปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนอินทรียปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนาชานปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระ นามกัปปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระโนอัตถิปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีก้าวาระ โนอวิคตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี๙วาระอุปนิสัยคตนา๕76นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออุปนิสัยอารามณะและอธิปติมี๗วาระณอนันตระปัจจัยกับละมี๗วาระนสมาันตระปัจจัยกับละมี๗วาระ นาสหชาต่ป ja ja ch Clear ัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนนิสียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปุเรชาต่ปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาต่ปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีเจดวาระในอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาชาณปัจจัยกับละมีเจดวาระนมรกัปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสามปยุตตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ โนโอัติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนโนัติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนโวิกตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนโอวิกตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปนิสัยอารมณอธิปติปุเรชาตะอัติและอวิกต ะ, ะมีหนึ่งวาระ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 นกรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสามปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกัตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือปนิสยอารามณะอธิปตินิสยาปุเรชาตะวิปยุตตาอติและอวิกัตะมีหนึ่งวาระ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 โนวกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือปนิเตียอนันตระสมนันตระนัตถิและวิกตามีเจ็ดวาระนอารามณปัจจัยกับละมีเจดวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นัอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนันิตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัอเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนักธรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นัอหารปัจจัยกับละมีเจดวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัชาณปัจจัยกับละมีเจดวาระนัมะขะปัจจัยกับละมีเจดวาระนัสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีเจดวาระนัวิปยุตตะปัจจัยกับละมีเจดวาระ โนอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนอวิคตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปนิสติยอนันตรสมานันตระอาเสวณะนัตถิและวิคตามีสามวาระนาอารามานปัจจัยกับละมีสามวาระนาอธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนั่นชาลปัจจัยกับละมีสามวาระนมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนั่นวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิคตตปัจจัย กับมี有有3วาระในเหตุปัจจ <mythology> ัย <Psychology> กับป <ün onion> ัจ <ama> จัย2คือปณิสติยาและกรรมะมี2วาระนัอามรัมณะปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยามี2วาระนาทิปฏิปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปณิสติยาะกรรมะมี2วาระนาอนันตรปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาและกรรมะมี2วาระ นสสะมานันตระปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาและกรรมะมี2วาระนสชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาและกรรมะมี2วาระนสสชาตปัจจัยกับปัจจัย2มีคืออุปณิสติยาและกรรมะมี2วาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาและกรรมะมีสองวาระ นาปุเรชาจปัจจัยก <Có S 1> so ับ <Transform> ปัจใจสองคือปณิส <c> ต <receive 27 2> ิยระกรรมะมีสองวาระนปัจชาชาตะปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาแะกรรมะมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสติยาแะกรรมะมี2วาระนวิปากับปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปณิสติยาแะกรรมะมีสองวาระ นัอหารปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสตยรกรรมมีสองวาระในอินทรียปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสตยรกรรมมีสองวาระนัชานปัจจัยกับปัจจัย2คือปนิสติยละกามะมี2วาระนัชานปัจจัยกับปัจจัย2คือปนิสตยระกามะมี2วาระ นามัคคะปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสัยแลกรรมะมี2วาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสัยแกรรมะมี2วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสัยแลกรรมะมี2วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสัยแลกรรมะมี2วาระโนอธิปัจจัยกับปัจจัย2คืออุปนิสัยแลกรรมะมี2วาระ โนนัติปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสียรกรรมมีสองวาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสียรกรรมมีสองวาระโนอวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือปณิสียรกรรมมีสองวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปณิสียะอนันตระสมานันตระกรรมะนัตถิ เวิคตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสอาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนันิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอาเสยวณัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามกระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ เวิปปยตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตตยมูลกนยัยจบปุเรชาตทุกนยัย577นเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามาระ นาอารามณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นาิสติยปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปนิสตยปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นาอาหารปัจจัยกับ uh, ปุเรชาตปัจจัยม to ีสามวาระนาอินทรียปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาชานาปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนามะขาปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสาวาระ โนนัตถิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตคัตนา578ในเหตุปัจจัยกับปัจจัยสามคูปุเรชาตะอถิและอวิกตะมีสามวาระณอารามานปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมันันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนานิเตียปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นัอเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนักรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนัอินตริยปัจจัยกับละมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นัดสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคัตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคือปุเรชาตะอารมณะอัตถิและอวิคัตตมีสามวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ นสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนัสณิตยปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปณิตยปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตรปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระ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 มีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระ โนวกตปัจจัยกับละมีสวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือปุเรชาตะอารามณะอธิปติอุปนิสัยอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสมันันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสสชาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนนิติญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาศิวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรมมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 อุปนิสัยวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสสมา a ันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนจสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัอเสวะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัจานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 โนวกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปุเรชาตะมูลกไนในจบปัจฉาชาติทุกกันในหยเจ็ดสเหตุปัจจัยกับปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระนอารามานปัจจัยกับปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระนาอธิปฏิปัจจัยกับปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระ นอนันตระปัจจ realm ัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนสมาอนันตรปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนสหชาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนานิติยปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอุปนิติยปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจ <sy on> ัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวะนปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปากัปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอินตรียปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ นาชานปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนมะข้ปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสาวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระโนวิกาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ ปัจฉาชาตะคัตนาห้า้แปดสในเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คือปัจฉาชาตะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระณอารามานปัจจัยกับละมีสามวาระน่าทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนสมานันตระปัจจัยกับละมีสามวาระ นัสาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนันิติยปัจจัยกับละมีสามวาระนัอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาเสวณปัจจัยกับละมีสามวาระนักรรมมปัจจัยกับละมีสามวาระ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 โนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตะมูลกันใยจบอาเสวนทุกกนใาย581ในเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนารามานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ นาสหชาตปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนนิสียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรมมะปฏใจกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ นวิปปากับปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาชาณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิป ปากับปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนอัติปัจจ <Be S 1> ัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนอวิกตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาเสวนาคตนาห้ารดสองนเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคือเสวนาอนันตาระสมนันตาระอุปนิสัย นัตถีไดวิกตะมีสามวาระนัอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนัธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนัสหะชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนันิติยปัจจัยกับละมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นปัจจาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนกกรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระในอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระณัชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมขัปกปัจจัยกับละมีสามวาระ นาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนมูลกไนจบกรรมมรุกกไนหร้อยแปดนเหตุปัจจัยกับกรรมมปัจจัยมีเจดวาระ นาอารามะนปัจจ <Next> ัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนาอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนาอนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนาสมนันตระปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนาชาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระนาอัญญามัญญาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสวาระนานิตียปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระ นาอุปนิสีิยปัจใจกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจชชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนอาเสวนปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระนอินตรียปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระ นาชานปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7ดวาระนมัคคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระโนอติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระโนนาตติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระโนวิขตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระ นวิคตตปัจจัยกับกรมมัตปัจใจมีสองวาระกรรมมัปกินนักฆตนา5 8าร้นเหตุปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมัและอุปนิสตยามีสองวาระนาอารามานปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมัและอุปนิสตยามีสองวาระนาทิปติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมัและอุปนิสตยามีสองวาระ นาอนันตรปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมะและอุปนิสตยมี2วาระนาสมานันตรปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมะและอุปนิสตยมีสองวาระนาสหชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรมมะและอุปนิสตยมีสองวาระนาอัญญาปัจญญาปัจจัย กับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสติยมี2วาระนนิสตยปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสติยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสติยมี2วาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสติยมี2วาระนอาเสวะนปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสติยมี2วาระ นวิปากับปัจจัยกับปัจจัย2คือกรมมะและอุปนิสติยมี2วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย2คือกรมมะและอุปนิสติยมี2วาระนอินทรีย์ปัจจัยกับปัจจัย2คือกรมมะและอุปนิสติยมี2วาระนาชาณปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมมะและอุปนิสติยมี2วาระ นามัคปัจจัยกับปัจจัยสองคือกรรมมะและอุปนิสยามีสองวาระนัสสัมปยุตตาปัจจัยกับปัจจัยสองคือกรรมมะและอุปนิสยามีสองวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับปัจจัยสองคือกรมมะและอุปนิสยามีสองวาระโนอัตติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรมมะและอุปนิสยามี2วาระ โนน auto, e, ัตถิปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสตยมี2วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสตยมี2วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสตยมี2วาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือกรรมะอนันตระสมณันตระอุปนิสตย นัตถิและวิกตะมีหน ah ึ่งวาระนารามณปัจ lim จัยกับละมีหนึ่งวาระนัทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหน totally ึ่งวาระนันิติญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอัิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาร ะ, จจ ะ, หาระสหชาตคัตนา585ในเหตุตปัจจัยกับปัจจัย6คือกามสหชาตะนิสยาอาหารอัติและอวิกตะมี7วาระ นรารรมระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัอธิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัสมานันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนัอปนิสติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นปัจฉาชาแต่ปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาเสวะนับปัจใจกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอินตริยปัจจัยกับละมีเจดวาระนัชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัมกปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตาปั จ, จัยกับละมีเจ็ดวาระ<ม>ในเหตุปั จ, จัจกับปั จ, จัจเจ็ดคือกรรมะสหชชตาอัญยมัรยานิสียอาหาระอติและอวิกะตะมีสามวาระ นาอารามนาปัจจัยกับระมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับระมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับรามีสามวาระนาสมันตระปัจจัยกับระมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับระมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับรามีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับระมีสามวาระนาอาสวนปัจจัยกับรามีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนชานาปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเวปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตตปัจจัยกับละมีสามวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสียะอาหาระสัมปยุตะะตะอติและอวิกตะมีสามวาระนารามณปัจจัยกับละมีสามวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระหนอนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวะนะปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอินตริยปัจจัยกับละมีสามวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนัชานปัจจัยกับละมีสามวาระนัมกะปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะสนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือกรร ม, มะสหชาตะนิสียวิปากะอาหาระอติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นาอินตริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจใจกับปัจใจแปด คือกรรมะสหัชชะตะอัญญามัญญานิตยาวิปากะอาหาระอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระน่าอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่าสมานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอุปณิเตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ pla, นปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ la, นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ la, นอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินเรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 มีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุริสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 กับปัจจัย8ดคือกัมมะสหชาตะนิสยวิปากะอาหารวิปยุตตะอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระหน้าอารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้าอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้อนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 โนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห้ากรมะมูละกะนานัยจบ